ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังพอวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งคือเป็นวันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันกุบัติขึ้นคือเสาหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์แบบวันนี้เมื่อสอง0ันห้าห้าสิบให้หลัง พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกจากนั้นพระองค์ได้ตัดสรูธรรร้ธรรมวันเดือนหกเพนในเมื่อบริได้บรรลุธรรมวันเดือนหกเพนแล้วพระองค์ได้เฉลยนิมุตติสุขในบริเวณต้นโพ ท, ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมนั้นหลายแห่งว่า อยู่ที่ละเจ็ด ว, วันเจ็ดวันเจดวันจนถึงครบกำหนดที่พระองค์ได้จัดรู้ชไวยความสุขดังที่พระองค์ต้องการปรารถนาแล้วก็พระองค์ย้อนลาลึกถึงว่าต่อไปพระองค์จะทำยังไง เป็นนันว่าคือว่าวางแผนวางแผนจะดาเนินอย่างไรต่อไปแต่พร้อมกันพระองค์ท่านก็ท้อพระไทยในที่จะประกาศสัจธรรมที่พระองค์ได้ตัดรู้ที่ผ่านไปแล้วคือวท้อพระไทยว่าทำที่พระพุทธองค์ได้ตัดสู้นั้นเป็นธรรม ที่มนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าคิดตามแนวความคิดของมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นธรรมที่ว่าย้อนยุกระหวัิทวนกระแสทวนกระแสของจิตใจมนุษย์ถ้ า, าว่าพระองค์ไปออประกาศธรรมแลววาสอนมนุษย์เขาจะต่อต้านเลวเขาจะเห็นด้วย จะทห้หรือเปล่าเพราะมันเป็นการทวนกะแสของความคิดมนุษย์ในยุคสมัยนั้นพระพุทธองค์พิจารณาดูแล้วก็ท้อประทไทยท้อประทไทยปวท้อใจที่จะแสดงทำหรือว่าจะประกาศทำให้แก่มนุษย์ชาติเราจะประกาศยังไงถ้าว่าประกาศไปแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่ปฏิบัติตาม ทำของเราที่ประกาศไปก็เป็นโมคะเราผู้ประกาศไปก็เหนื่อยเปล่าอันนี้คือคือว่าท้อประไทยท้อประไทยที่จะประกาศทำที่จะประกาศเ ER ผยแพ ร, ร่ทำมรทำคำสังสอนออกไปสู่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์ชาติทั้งหลายอันนี้นคือจุดหนึ่งจากนั้นก็มีทรหมมาาราธนาะพโตองค์ โปรดให้แสดงธรรมการที่พรมลงมาก็เป็นธรรมมาธิฐานทั้งปุกกลาธิฏฐานปุกกลาธิฐานก็คือเป็นพรมมาจากชั้นพรมอันนี้คือธรรมมาธิฐานก็คือพระองค์น้อมจิตไปด้วยพระเมตตาพร ม, มวิหารสีคือเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาคือพรมเกิดขึ้นมาในพระทัยของพระองค์ อั น, นี้ถ้าเราจะว่าไปก็มีสองจะเป็นธรร ม, มาธิฐานหรือปุกคลาธิฐานเราก็ไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ในจุดนั้นแต่บางคนก็เป็นธรร ม, มาธิฐานแต่บางท่านก็อว่าเป็นปุกคลาธิฏฐานแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ใช่จุดสําคัญจึงจะเป็นธรร ม, มาธิฐานหรือปุกคลาธิฐานก็ตามแต่ธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นั้น เป็นสวาก ข, ขาตรธรรมเป็นธรรมที่ตัทรู้ชอบยิ่งเห็นจริงไม่เป็นแปลไปอย่างอื่นที่ทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตัดได้บรรลุในวันเดือนหกเพนนนั้น <Okay. S 1> แต่พระองค์ <Okay. S 1> จะทอนอยังไงที่จะวางแผนแปลนที่จะประกาศธรรมจุดนี้ <Okay. S 1> เนี่ยแต่ว่ามาพิจาราณาดูก็คือเป็นการทวนกระแสของโลก แต่พร้อมกันพระเถระองค์ก็บอกเราจะทำยังไงด้วยอพระเมตตาเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสัพพสัตทางหลายหรือเพื่อนมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าเราพอพระเถรองค์ว่าประกาศไปแล้วเขาเหล่านั้นคงจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็เป็นการดูถูกหรือว่าเป็นการเหยียบยําเขามากจนเกินไป เพราะท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันในเมื่อมนุษย์พูดให้มนุษย์ฟังก็คงจะมีผู้สนใจเพราะมนุษย์บางกลุ่มบางคณะก็ต้องยอมรับรูว่าต้องการเหตุผลต้องการหลักธรรมที่ถูกต้องอยู่เหมือนกันเพราะนั้นพระองค์มาพิจารณาถึงจุดนี้เราเป็นใครเราก็เป็นมนุษย์แต่เราประกาศธรรมไปประกาศให้แก่ใครประกาศให้แก่มนุษย์มนุษย์มีหลายระดับ พระองค์ก็ย้อนดูจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสินใจจะประกาศจัดธรทำประกาศรำที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้แล้วในวันนั้นในวันเดือนหกแนั้นจากนั้นพระองค์ก็มองหาผู้ที่จะรับธรรมท่านแรกก็มองไปเห็นดาบทสองท่านที่พระพุทธองค์ได้เข้าไปศึกษาก่อนที่จะได้ตัดสรู้รม คือดาราดาบทอุตกรดาบทสองหรือสีแต่ท่านทั้งสองก็ได้มรณาภาพไปแล้วไม่นานแต่ใ น, นเมื่อพระพุทธองค์ได้พิจารณาดูทั้งสองหรือสีนั้นว่าได้มรณาภาพไปแล้วท่านก็มองไปอีกว่าใครผู้ที่จะได้รับธรรมที่เราได้ตัดสินเป็นท่านแรกท่านก็มองไปก็ไปเห็นปัญจวคี์ทั้งห้า โกนธัญะวะปะคัติยะมหานามะอจิ ช, ชิทั้งห้าท่านที่เป็นลูกของพราม์ที่กุงราชที่กุงกบิลพัทเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ใหม่ได้ประูุรอุบัติขึ้นเรียว่าประูตรใหม่พระเจ้าจุดโทธนะได้เชิญพรามณ์มาทำนายแต่ทักปริสารักษณะแต่นี้พรามณ์ ที่เป็นพ่อของพรามก็ได้สั่งเสียกับลูกเอาไว้ว่าเมื่อศิธฐ์ถาโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาท่างว่ท่านเสด็จออกไปบวชขอให้ลูกตามเสด็จไปปฏิบัติหรือว่าไปรับฟังโอวาทเพราะว่าศิธฐ์ถาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแน่นอนอันนี้ก็คือพรามที่ได้ทำนายถ่ายทัก ตอนที่ศิตธธาถาอุบัติขึ้นในโลกยังเป็นเด็กแบเบาอยู่จากนั้นพรามณ์ที่ทำนายผู้ทำนายก็บอกว่าส่วนพ่อนี่็คงจะไม่ได้เห็นคงจะตายก่อนเพราะนั้นลูกเมื่อศิตาถาเสด็กออกบวชพวกท่านทั้งหลายคงให้เติดตามไปด้วยนะอันนี้ก็ถ้าจะว่าไปอันโคลทัญญาพรามณ์ ว่าเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดในพราหมณ์ร้อยแปดที่เข้าไปทำนายบริษารกษณะของพระพุทธเจ้าก็เป็นดันว่าคงจะเกินกันหลายปีทีเดียวทีนี้ก็เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุธรรมนะเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกไปบวชปัญจะวะคีตังห้าที่เป็นลูกพราหมณ์ก็ได้รวมกันออกไปตาม ที่พระพุทธเจ้าที่สิทธัตถะไปออกบวชท่านประทับอยู่ที่ใดท่านก็นสืบสอบไปแล้วท่านก็ไปดูแลแล้วไปอุปถัมภะาเพื่อจะได้รับฟังทำคำสังสอนที่สิทธัตถะได้จักจรูนะ้จากนั้นท่านก็ปณิบัติอยู่ตั้งเวลานานพอสมควรเพราะพระพุทธองค์ได้เสด็จออกไปบวชถึงเวลาทั้งหกปีนะอ่านะ อยู่ในป่าทั้งหกปีไปลองผิดลองถูกใน ห, หลายอย่างจากนั้นเมื่อพุทธองค์ได้ตัดก่อนที่พุทธองค์จะได้ตัดชารุธรมรมพระพุทธองค์ได้บําเพ็ญอย่างที่ว่านะลองผิดลองถูกครั้งสุดท้ายก่อนที่ปัญจวคีอ่ อ, อนอกอ่ อ, อนใจก็คือตรงที่ชิท ธ, ธัตตะอดพักระหารคืออดอาหารไม่ทานอาหาร เป็นเวลาถึง49วันในเมื่อไม่ทานอาหารปัญจวคีทั้งห้าท่านก็เหมือนกันต้องจ้องตาเขม็งนั่นละนั่นครับเอ่อสิทธัตถะคงได้สําเร็จคราวนี้แหละเพราเอาจริงเอาจังเลยอดภัคยาหารอย่างจริงจังคงจะได้สําเร็จต่จะรู้ทำในครั้งนี้แต่ตอนนี้สิท ธ, ธัตถะท่านอดภัคยาหารทั้ง49วัน พระ อ, องค์ก็เพ่งพิจารณาพิิีพิเคราะห์ดูการอดอาหารเป็นการทรมานร่างกายให้ลำบากเปล่าไม่ใช่หนทางที่จะตัดสรู้ธรรมได้พระพุทธองค์ก็ถอยกลับมาสวยประคยาหารในละในช่วงนี้ละปัญจวคีทั้งห้าท้ออกท้อใจอ่อน อ, อกอ่อนใจหมดศรัทธากับสิทธะ ว่าศิทธะเมื่อกี้ได้เอากินกังแต่บัดนี้กับประธานอาหารฉันอาหารเจแล้วคงไม่ได้ตัดสรู้หรอกในชาตินี้ปะพวกเราหนีนี่แหละเหตทให้ปัญจกวคีหนีห่างจากศิทธะกำลังบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่ท่านกว่านี้ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่ปลายสิปัตนามิกะทายวันแขวงภูมิพาราณสี ท่านก็คงจะไปทำอาสมอาสมก็คือตั้งร้านตั้งตั้งกระบ๊บ เ, เล็กๆอยู่ด้วยกันห้าองค์อยู่ตามลำพังห้าองค์ท่านี้ศิท ธ, ธัตถะพุทธเจ้าของเราท่านก็อยู่ตามลำพังเมื่อไม่มีปัจจวัคคีย์ทั้งห้ายอยู่เป็นเพื่อน พ, พุทธองค์ก็อยู่แบบเดียวไายอยู่ตามลำพังก็่ดนการ ที่อยู่ตามลำพางกัคงจะมีโอกาสมากเพราะสงบวิเวกวางเวงไม่มีเรื่องอะไรที่มาเกี่ยวข้องพระพุทธองค์ก็คงจะเล่นความภาคเทียนอย่างเต็มที่ทางจิตใจแต่ข่าวก่อนหน้านี้พระพุทธองค์ประมาณร่างกายก็เหมือนศาสนาอื่นเขาในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีหลายศาสนาที่ประเทศอินเดียในยุคนั้นกับยุคนี้ยุคนั้นก็คงจะมากกว่ายุคนี้อีกต่างหากนะั้นแหะ แต่ยุคนี้พวกเราไปดูแล้วก็คงจะยังเห็นร่องรอยของศาสนาอยู่แต่ในครั้งนั้นก็คงจะมากเพราะนั้นศีรษะท่านก็คงจะทดลองทดสอบหลายทางหลายด้านจนผลที่สุดก็การทรมานร่างกายไม่ใช่หนทางจากนั้นท่านจึงได้พิจารณาทางใจใจคือตัวผู้รู้นมามธรรมนี่ อันนท่านเบนความคิดเข้ามาตัวนึกคิดที่ไหนท่านมาพิจารณาตัวนี้จะทํำยังไงตัวนึกคิดตัวนึกคิดมันปุ่งฟุงอยู่ตลอดเวลาจะจับได้ยังไงเพราะฉะนั้นในวันเดือนหกเพจเนี่ยพระองค์ได้บําเพ็ญหรือว่าได้จัดการกับตัวผู้รู้ตัวใจตรงนี้นหะจะทํำยังไงเนี่ย จากนั้นลวพ่อองค์จึงได้นั่งขัดสมาธิอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเล่าให้ฟังตามลำดับาหรับมาเนเพราะว่าเป็นที่น่าสนใจที่พระพุทธเจ้าได้ตัดชรุธรรมตัดชุที่ตรงไหนอย่างไรเพราะเหตุไรยอย่างเนี้ยเพราะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เป็นกุญแจดอกแรกขาวาได้ถ้าเราไปพูดที่อย่างอื่นถ้าว่าเราไม่รู้ต้นตอเราไม่รู้ต้นเหตุ แห่งการตัดสู้ธทำเราก็ไม่เกิดศรัทธาในเมื่อเกิดไม่เกิดศรัทธาเราก็ไม่เชื่ออันนี้พ่อวัาพูดให้ฟังพวกเราทา่ทานทัายได้ศึกษานี่ยก็คือพระพุทธเจ้าตัดรู้อย่างไรที่ไหนทําไม่เพราะเหตุไรตัดสู้อะไรนะก่อนที่จะตัดสู้ทำอย่างไรนะอันนี้พวกเราก็จะได้ศึกษาจะต้องได้ฟังให้เข้าใจนะอันนี้ก็คือพระพุทธรค์ได้นั่งขัดสมาธิอย่างที่ เเล่าเคยพูดให้ฟังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละอันนี้เมื่อผู้ตรงกําหนดอย่างนั้นได้ก็ได บรรลุธรรมยานัตนะสามขั้นปุเพเนวาสารุจติยานตุวตปปาตยานอาสาวัคยายะาณในเมื่อได้สำเร็จเป็นพระโพธ เ, เจ้าในวันเดือนหกเป็นแล้วกท่านก็พิจารณารู้ว่าทมที่ท่านได้เป็นธรรมที่ทวนกระแสของโลกโลกเขารัก โ, กโรคโกรธหลงแต่พิธารให้พิจารณาไม่รักไม่โรคไม่โกรธไม่หลง มันทวนกระแสนีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านใน้ตัดสู้ทรแล้วท่านก่อ อ, อ่อนอกอ่อนใจว่าจะไปจะไปสอนเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาไหลไปอย่างนั้นเราทวนกระแสอย่างนี้แต่ทีนี้ท่านก่พิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าท่านเป็นใครท่านก็เป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ต่อมนุษย์อธิบายให้กันฟัง จะไม่เข้าใจเลยมนุษย์ผู้ฉลาดก็คงจะมีอยู่ผู้ที่โง่งเง่าก็ไม่ว่ากันผู้ยังลุ่มหลงอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่ผู้ที่ฉลาดมีปัญญามีอยู่เราจะต้องสอนมนุษย์ที่มีปัญญาท่านจึงจฉดว่าดอกบัวสีเหล่า <c oughs> เหล่าหนึ่งก็คือกําลังกําลังออกจากเก้าวบัวดอกที่สองก็อยู่ใน ระหว่างครึ่งน้ำดอกที่สามกําลังจะพ้นน้ำดอกที่สี่กับพ้นน้ำขึ้นมาแล้วถ้าวาดไปรับแสงแดดส่องลงไปดอกปัวนก็จะบานอันนี้ก็เหมือนกันบา ร, รมีของคนก็มีอยู่สี่ระดับที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ตอนนี้ผู้ที่บำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติพ้นน้ำขึ้นมาแล้ว แสงรอรับแสงสว่างคือทำคําสั่งสอนที่พระพุทธองค์จะได้ประกาศสอนให้ฟังก็เหมือนเหมือนกับแสงสว่างแสงพระอาทิตย์ในเมื่อพระพุทธองค์ประกาศออกไปท่านเหล่านั้นก็พร้อมอยู่แล้วบา ร, รมีแก่กล้าอยู่แล้วก็เบ่งบานรับสิไรสำเร็จเป็นพระอรหันตนยุคแรกมากต่อมากพราะนั้นพระพุทธองค์จึงได้พิจารณาดูแลจะเป็น เทศนาให้แก่ใครในวันนี้แหละในวันอาสารหะเนี่ยวันนี้แหละวันตัดสรุของพระพุทธองค์คือวันเดือนหกเพนแต่วันนี้เนี่ยเดินไปถึงปัญจวัคคีทั้งห้าถ้าจะว่าไปแล้วว่านี่นประมาณเนี่ยพระพุทธองค์ก็คงจะอบรมปัญจวัคคีทั้งหอยู่กับมังในในชุกในเมื่อสองพันกว่าปีมาในช่วงทุ่มสองทุ่ม เ, เนี่ยนี้พอพระพุทธองค์ไปถึงกั เทสนะทำมาจากกับวัตตนสูตรเป็นเป็นธทำข้อแรกนะแอบบรรดาวิาคีทั้งห้าก็นั่งฟังแต่ที่แรกก็กระด้างกระเดื้องคล้ายๆกับว่าไม่เชื่อนี่ยนะความไม่เชื่อตัวนี้มันปิดหูปิดตาจริงๆนะพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้เชื่อพวกทันทั้งหลายเคยได้อีกไหมว่าเราได้บรรลุแล้วเราได้ตัดรู้แล้ว นะพวกท่านได้ยินไหมคํานี้มาก่อนนะพอกานกระตุนนะ้นเมว่อกันเตือนปัญจวคีปัญจวคีก็ย้อนหลังลง ก, ก็คือใช่ไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนจากนั้นพระปัญจวคีทัน้าเกาได้ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังพระพธองค์ก็แสดงทำให้ฟังแต่จุดที่พระอัญญาโกนธัญญาได้บรรลุธรรมนั่นก็คือจุดที่ว่าเสียงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นดับเป็นธรรมดาสรุปแล้วก็คือที่อัญญาโกรทัน ญ, ญ่าได้เห็นเลคือเห็นอนิจจังเห็นของไม่เที่ยงแหมที่พระพุทธองค์ได้พูดให้ฟัง เ, เห็นของไม่เที่ยงปล่อยวางเราจะไปะยึดมั่นทําไมจะไปะยึดมั่นถือมั่นทําไมกับสิ่งที่ของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บโรคก็ะตาย บ้านเรือนของเราก็ตามปลูกขึ้นมาแล้วก็ํำรุจชุดโทมล น, นสุขกะพังทลายลงสู่ดินทิยงใดก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟโดยการทางนั้นเพราะนั้นอัญญาโกฏท่านจะมองเห็นจุดนี้ท่านก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางในจิตใจขององค์ท่านท่านจึงได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันท่านแรกในเมื่อสาเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็อขอบวช พระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ได้รู้แจ้งในระดับหนึ่งแล้วข้าพระองค์ขอบวชนี่แหละพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศในวันนั้นว่าอัญญาสิวั ต, ตโพโกลทันโยอัญญาสิวัตโพโกลทันโยโกนทัญยะรู้ธรรมแล้วหนอเห็นธรรมแล้วหนอให้ข้าบอกพระพุทธองค์ก็คงจะพอพระไทยในการประกาศจัดจะธรรมในวันนั้นเพราะ เป็นสักขีปยานขึ้นมาแล้วท่านน่งคืออัญญโกณธัญญาจากนั้นท่านก็ให้บทเอหิปิโคปุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วอัญญโกณธัญญาคนแรกเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นท่านแรกเพราะพระเจ้าพระธรรมพระสงเกิดขึ้นมาในวันนี้นวันอสสรหบูชาคือวันนี้แหละจากนั้นพระองค์ประเทศไปอีก ปัญจวัคคีทั้งสี่องคอ์ทั้งสี่องค์ก็ได้สำเร็จก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาพอวันต่อมาพระองค์ก็พยายามแนะนำปกิณกะธรรมอนัตตวัคขณะสุเกี่ยวกับให้พิจารณามองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่อย่างละเอียดเข้าไปปัญจวัคคีทั้งห้าท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดแต่วันนีนะ้เป็นวันแรก เป็นกุญแจดอกแรกเรียกว่าครบแรกคือพระพุทธเจ้ า, จาพระธรรมพระสง์เกิดอุบัติขึ้นในโลกคือวันนี้นวันต่อไปก็คือท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลทั้งห้าองค์จากนั้นก็พระอรหันเกิดขึ้นมาในโลกหกองคหกองค์สือใครคือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารวมแล้วก็เป็นหกในเมื่อได้สาเร็จเป็นพระอรหันและเป็นพระอาราน อุบัขึ้นในโลกกพระองค์จากนั้นพระพุทธองค์ก็ประกาศว่าพวกเราอย่ า, ยาไปในทางเดียวกันให้ไปคนละทิศทางเพื่อประกาศเพื่อเผยแผ่ทำคําสั่งสอนต่อเวเ น, นยสัตว์ผู้มีธุลีเบาบางคือกิเลสเบาบางยังมีอยู่ในโลกนี่ที่จะยอมรับฟังทำคําสั่งสอนของพวกเราจากนั้นปัญจวคีร์ทั้งห้ากับพระพุทธองค์ก็ได้ ไปคนละทิศทางกันเพื่อประกาศพระธรรมคาสั่งสอนเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็กระจายออกไปเรื่อยๆท่นี้ไปที่ไหนคนเคารพนับถือเรื่อมใสอ้างเหตุผลผู้ฟังผู้ฟังก็ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติได้สำเร็จมักสำเร็จผลตามๆกันเพราะฉะนั้ น, นการเผยแผ่ธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่แหละเป็นมาอย่างนี้ จากนั้นก็ประกาศไปเรื่อยๆเพราะสงฆ์ก็ุวีคูณขึ้นเรื่อยๆถึงอย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ก็ใช้ขันใช้ธาตุใช้ขันใช้ธาตุสี่เปลี่ยนน้าลมไฟคือใช้ร่างกายเป็นการประกาศทำผลในสุดพระองค์ก็ถึงจุดจบเหมือนกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่แพ้กันเรื่องธาตุขันไม่แพ้กันร่างกายถึงจบคนบางคน ลุ่มหลงในตัวเองว่าการกระทําจยันูนทางกระทําอย่างนี้อายุยืนยาวฉะนั้นมีความสุขอย่างนี้อันนั้นเป็นการหลอกตัวเองชั่วครัง้งชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้นเองมันเพราะความจุดนั้นไม่มาถึงถ้าจุดนั้นมาถึงเราก็หยุดพูดอันนี้ก็เหมือนกันในพวกเราท่านทั้งหลายที่ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านนะที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ให้พวกเราจำนึกสําเหนียวกว่าอยู่เสมอว่า ชีวิตของพวกเราไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะหลุดหายตายจากเมื่อไรไม่มีใครรับประกันได้เพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความปรหมะให้สังสมบูญณ์กุศลเอาไว้มากๆานกะ่ในเมื่อคนมีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วชาตินี้พบนี้พบนี้ชาตินี้ก็สบายถ้าจะไปสู่พบหน้าชาติตาก็ไม่พิตกกงังวล พราะเราได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วนะด็ดสั่งสมบารมีไว้ดีแล้วได้รักษาศีลให้ทานภาวนาไว้ดีแล้วถึงจะไปชาติหน้าก็ไม่หวั่นไหวไม่วิจบไม่กังวลทั้งหมดแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ให้ดีถ้ามรณะภัยเข้ามาถึงหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเออคราวนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยของเรา ไม่เป็นที่ไว้ใจแล้วนะเราเป็นมะเร็งแล้วนะอย่างเนี้่ถ้าว่าเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเตรียมเอาไว้นะหลวงพ่อมั่นใจเลยเกิดพวกเราต้องหวันไหวหวันไหวไกวแขวงเออไคร ข, ขวัดจับอะไรไปถูกทางนั้นแหละทีนี้จะร้องไห้ก็ไม่ใช่จะหัวเราะ ก, ก็ไม่ใช่จะทําอะไรก็ไม่ใช่ผลที่ ส, สุดก็เงียบเหงาเศร้าซึ้ง เพราะว่าคิดไม่ตกวางไม่ตกว่าจะไปทางหน้านแลวจะเป็นอย่างไรอันนี้แหละอันนี้คือคือผู้ไม่ได้คิดไว้ก่อนไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเตรียมการเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีรดอสั่งสมบุญกุศลเอาไว้แล้วถึงจะมีอะไรถึงจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็ทาใจได้ถึงขาวพลาดนั่เลยี่าวนี้ถึงขาวเราแล้วเราจะไปที่ไหนได้ เพราะคนอื่นเขาก็ตายให้เห็นมามากต่อมากแล้วมาถึงค่าวเราเราจะอยู่ชั่วฟ้าได้ยังไง <Yeah. S 1> เราจะบอกว่าเราแก่สะ ก, ก่อนจึ่งจะตายเราจะไปต่อรองกับใครใครจะให้ชีวิตของเราเราเท่านั้นเองที่จะให้ชีวิตแก่เรากรรมของเรากรรมคือการการะทาของเราเราคงจะทากรรมไม่ดีไว้ชีวิตของเราจริงสั้นถ้าเราทำกรรมดีไว้กรรมดีก็ยาว แต่บางครั้งมันยาวเกินไปนะประปั่มเปอรเป๋จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายจะดีก็ไม่ดีอันนั้นก็ยำแย่ไปอีกประเภทหนึองอีกเหมือนกันกล้ำตัวนี้มันไม่รู้จะจําแนกออกอยังไงจึงเป็นที่พอใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเกิดมาแล้วเป็นทุกข์สรุปลงประจุดนั้น ถึงจะแก่ยังไงก็เป็นทุกข์ถึงอายุยืนก็เป็นทุกข์ตายเร็วก็เป็นทุกข์ตายช้าก็เป็นทุกข์ขนาดไหนจึงจะเป็นที่พอดีพอใจไม่เป็นที่พอใจของพวกเราทั้งหมดตายเวลาไหนเราก็กระเทือนใจเวลานั้นเพราะฉนั้นเวลาจะถึงจุดนั้นเราก็เป็นทุกข์แต่เมื่อเป็นทุกข์พราะผู้ธดจ้าจว่าเก daunting, ิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เกิดมาในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้น ถ้าเราพิจารณาดูให้ท่วนทีแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเว้นเสียต่หลอกตอนเองนะถ้าหลอกตัวเองเป็นวันวันไปก็อเอือกินข้าวอร่อยก็มีความสุขนอนหลับสบายก็มีความสุขพูดคุยกันสนุกสนานก็มีความสุขมีเงินคําทรัพย์สมบัติก็มีความสุขแต่ความสุขเหล่านั้นพิจารณาดูให้ดีเป็นเนื้อแท้ของความสุขหรือเปล่าหรือเป็นความสุขที่หลอกขึ้นมา หรือว่าจอมปลอมการเราพิจารณาดูตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออกมาจับแล้วมันเป็นความสุขที่จอมปลอมใชมากกว่าเพราะฉะนั้นสิงเหล่านี้ให้พวกเราทุกๆท่านนะใช้สติใช้ปัญญาใช้ในแนวธทางคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราเ น, นี่ยแหลมาเป็นแบบฉบับมาเป็นบรรทัด ฐ, ฐานหรือว่ามาเป็นกระจกเงาไม่ให้พวกเราลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาในการเป็นอยู่อา่า ในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตของพวกเราและก็การภาวนานะการภาวนาพยายามทําจิตให้สงบเป็นหลักเป็นพื้นฐานอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้ น, ตนพระพุทธเจ้าทําอย่างไรจิตพระองค์จิตจะเข้าสู่ความสงบหรือกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะฉะนั้นให้พวกเรากําหนดลมหายใจเข้าออกนะให้สติอยู่กับตนเองมรลกรรมพุทโทด้วยเถิดหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ สายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมธรรมดาแม่มันก็ะทำมันจึมีช่องว่างทําให้ใจของเราหลุดออกไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าออพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทแหมพยายามพยายามดึงให้มาอยู่กับลมหาย ใ, ใจเข้าออกพุทโทพุโทโธให้มีสติจากนั้น เมื่อเราพยายามทําอยู่หลายครั้งหลายหนแต่บางคนก็ไม่นานนะถ้ามีอุปนิสัยเก่าเคยเป็นลือศีชีภัยมาก่อนเคยบําเพ็ญมาก่อนเคยเป็นพระบําเพ็ญมาในอดีตชาติมาก่อนมาเกิดพบในชาตินี้ก็เหมือนกระจกแหน่ที่มันมีน้ําอยู่แล้วแต่จอกแหนมันมาปิดมาบางังมากั้นมันมองไม่เห็นแต่พอเรามาบวชขึ้นมาแล้วเราเขียกระจกแหนออกไป บุญกุศลของเราก็โโพขึ้นมาเรานั่งสมาธิเจ็ตเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเห็นจริงเห็นจังขึ้นมาเพราะนั้นคนเราจรึงไม่เหมือนกันแต่บางคนก็ไม่ได้บำเพ็ญมาเก่าก่อนบำเพ็ญขึ้นมาก็ยากลำบากแต่บางคนพอนั่งแป๊บเดียวใจของเขาก็เ ข, า เ, ขาเข้าสู่ความสงบได้แล้วเพราะเป็นอุปนิสัยบุญบา ร, รมีของของเก่าเขาที่บำเพ็ญมาอย่างมากแล้วเนะเพราะนั้นท่านจึว่า แข็งความขยนันแข่งความอดทนแข่งต่างๆแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญบารมีกันน่ยอย่าไปแข่งอย่าไปแข่งเขาอย่าไปแข่งเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าบุญบารมีของใครมีมากน้อยอย่างไแงแค่ไหนเพราะฉะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญให้มากๆบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจไม่มีไปไหนอย่างนั้นอยู่ใ น, ในใจิตในใจของพวกเราในเมื่อเราได้สั่งสมบุญบารมีอย่างพวกเราไหว้พระ ให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างวันนี้แหะอย่างบุญกุศลในวันนี้ก็เป็นเครื่องเกื้อกวรหนุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆไ อ, อ้อีกสักวันหนึ่งต่อไปในพบหน้าชาติหน้าเราร่างภาวนาเพราะเราชาตินี้เราพยายามทําอย่างเต็มที่อยู่แล้วไอ้พบหน้าชาติหน้าขึ้นมาเราไปนั่งภาวนาใจของเราสง บ, บง่ายนั่นแหะอันนี้บุญบารมีเกื้อกูลหนุนไม่ไปไหน จากนั้นก่อนเมื่อกิจเข้าสู่ความสงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นอะไรแต่ท่านก็ไม่ให้เห็นอย่างอื่ให้เห็นร่างกายเพราะใจของเราเนี่ยมันหลงอยู่กับกายมันก็หลงกายนะีเพราะใจกับกายมันใช้กันมาตั้งแต่วันเกิดใช้ง่ายและเกิดเหมือนกันให้ทําอะไรก็ให้ทําอะไรก็ได้ใจก็เลยชอบก็เลยหลงกาย แต่เนี้นพระอให้พิจารณากายอบอกพระองบอกว่าใจในปัญญาไปหลงกายนะอีกสักวันหนึ่งกายมันจะกระบดนะอบอกใจนะบอกใจไปนะอีกสักวันหนึ่งนะกายมันจะกระบดนะขับรถยังไงพระองบอกขบรถยังไงมันไม่เชื่ อ, อมันไม่เชื่อใจแหละกา ย, ยมันไม่เชื่อใจยากแก่นะมันก็แก่ อย่าเจ็บนะมันก็เจ็บอย่าตายนะมันก็ตายนั่นแหละใจกายร่างกายกระบาดกระบาดใจะในเมื่อละร่างกายกระบาใจถ้าใจไม่ได้คิดไว้ก่อนเลนี่เอาอะไรทุกยากสะท้านหวั่นไหวนะมีความทุกข์อย่างมากักหนักๆเข้ามาอะทีนี้เพราะนั้นให้พิจารณาไว้พิจารณาไว้อยู่ในเสมอนี่แหละคือวิธีทางวิธีคิดของ พระพุทธเจ้าให้เค็ดรายงน้นให้พิจารณาพิจารณาเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเท่าเป็นหน้าที่ของพระใช่ไหมใช่ท่านในหน้าที่โดยตรงเลพิจารณาอย่างนี้แต่ก็สําหรับพระวัติแก่โนั้นก็ถอยลงไปอกีกมีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นก็หลวงพ่อว่าดีดีมากแล้ว อย่าไปปล่อยปละเลยจนเกินไปเท่านั้นะให้คิดไปอยู่เสมอว่าร่างกายนี่จะขบฏเรานะร่างกายจะขบฏอีกสักวันหนึ่งจะขบฏเรานะร่างกายจะไม่ไปตามบัญชาของใจนะเราคิดไปอยู่เสมอนะในเมื่อเราคิดอยู่อย่างนั้นคือเราไม่หลงร่างกายในเมื่อไม่หลงร่างกายเราจะไปหลงร่างกายคนอื่นได้ยังไงขนาดร่างกายตัวเองก็ยังไม่ใช่ของตนเองจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอยู่แล้ว เราจะไปยึดมั่นคือมั่นร่างกายคนอื่นว่าเป็นของเราได้อย่างไรเนี่ยแหละของใครของเราถิ่อคนนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงอย่าหลงอย่ามัวเมาแอย่าประมาทให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยแหละในเมื่อใจเห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงใจก็รู้ใจจะไปหลกเขาทาไมจะไปหลงทาตสีทำไม จะเป็นหลงทรัพย์สมบัติเงินควาทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ทำใหม่แต่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วเสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เนื่องเกี่ยวเนื่องกับกายจะเป็นของเราได้อย่างไงฉะนีน้ใจก็เข้ามาหาใจนี่แหละในเมื่อมาหาใจใจรู้ใจ อ, อรู้เหตุรู้ผลของใจใจจะไปยึดทำใหม่นี่แหละใจก็ปล่อยวางที่ใจนะ ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางจิตใจขหลุดพน้นจากกิเลสความยึดมั่นถือมั่งกิเลสราคะโทสะโมหะมันไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทาละคละลงที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจพระอรหันต์ไม่หาที่ไหนหาอยู่ที่ใจนั่นแหละใจนั่นนหละเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ธาตุสีเป็นพระอรหันต์นะอันนั้นคล้ายๆว่าเมื่อใจเป็นพระอรหนะันต์แล้วธาตุสีก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยแต่ถ้าว่า แต่ใจพองเราคิดไปในทางที่ดีเป็นอกุศลร่างกายก็เป็นขี้คุกไปด้วยวายจใจก็เป็นขี้คุกไปด้วยเข้าไปในคุกด้วยด้วยกันแต่ว่าใจเป็นพระอรหันแล้วนั่นแหละร่างกายก็เป็นพระอรหันกายวายจใจก็เป็นพระอรหันไปด้วยเพราะใจเป็นพระอรหันเพราะนั้นพระอรหันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่ทานนะที่มาบวชในครั้งนี้หรือบวชในพระพุทธศาสนาเสียสละเข้ามาบวช ตลอดถึงญาติโยมพี่น้องประชาชนทุกๆท่านได้มาบมเพ็ญกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอีกสักวันหนึ่งร่างกายจะกระบฏนะเมื่อร่างกายกระบฏไม่เชื่อฟังเราแล้วเราจะทำใจยังไงนี่หระหลงเราต้องคิดเอาไว้นะคิดเอาไว้ให้หนักทีเดียวคิดเอาไว้ให้มากทีเดียว เบื้องต้นตรงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาวันพระและก็วันอาสาระหะความเป็นมาของวันอาสาระหะคือวันอย่างไรได้พูดเกี่ยวกับพุทธประวัติสาวกประวัติให้แก่พวกเราได้ศึกษาจากนั้นก็วัดรัรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่ท่านได้จัดสรุปทำนั้นตัดยังไง ได้ตัดทำตรงไหนพ่อไหนบ้างที่ได้บรรลุทำที่โคนตนโพนั้นแต่คือปุเพเนวาสานุจติยานตูตูปปาตยานอาสาวกยายานที่ท่านได้ตัดสร้ธรรมในวันเดินหกเพนจากนั้นเมื่อได้บรรลุแล้วท่านก็พิจารณาว่าจะวางแผนเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร อันนี้ก็คือเป็นจุดเป็นขั้นตอนาตามลำดับรงมาจนมาพิจารณาถึงเห็นปัญจวคีย์ทั้ง5้าที่จะเป็นรับเป็นกลุ่มแรกนะจากนั้นทิงได้มาปร ะ, ประกาศวันนี้แหลพระัญญาโกนธรรมยะได้เป็นพระโสดาบันในบทในพระพุทธศาสนาพนี่ัรตรสาระไตรสาระคมคับวันนี้วันอสาราบูชา ในครบวันนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เกิดขึ้นในวันนี้จะว่าถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาแต่วันพุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วทีนี้นะนะทีได้ตัดสร้ธรรมเราก็นำํทำทำคําสั่งสอนนั้นนําำทำที่ท่านได้ตัดสรู้ได้บรรลุธรรมนั่นแหะนํามาปรับปรุงและนํามาปฏิบัติกับตัวของเรา เราทำยังไงบอกว่านั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือ ข, ขวาทับมือซ้ายนะทํากายให้ตรงแต่พวกเราก่อนที่จะทําอย่างนั้นเราศึกษาจากพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเทวนาเป็นที่ปึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเอาขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วบบนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้าย จากนั้นเราประนมมือซะก่อนอันนี้คือเราไหว้ครูซะก่อนไหว้พระพุทธเจ้าพระพธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือตรงอะมือขวาทับมือซ้ายภาวนาอะไรอันดับแรกเราจะภาวนาแผ่เมตตาก่อนก็ได้นะนแผ่เมตตาในค้ายข้าวอะออบางทีทั้งวัน หรือว่าใจของเรามันยังร้อนอยู่ยังโมโหโทโศยังรักยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ยางา น, นแต่ยังชุนอยู่ในจิตในใจ เ, เราก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขวิญญาณทุวกวิญญาณทั ว, ว, ญญญวดไรโลกธาตุจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างใดผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา แน่เราจะบริกรรมข้าพเจ้าจงเป็นถุกผู้อื่นจงเป็นถุกข้าพเจ้าจงเป็นถูกผู้อื่นเป็นถุกแน่จะบริกรรมไปชักชั่วระยะหนึ่งจากนั้นกักําหนดลมหายใจเข้าออกต่อทีเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทธโทนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติจากนั้นก็กิจใจของเราก็เยือกเย็นจิตใจก็สบายนะจากนั้นก็ เราพิจารณาเมื่อจิตใจสงบร่มเยน็นอะไรแบพิจารณาอะไรตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณากับพิจารณาร่างกายไอ้อย่างที่หลวงพ่อพูดร่างกายมันจะกระบฏนะรู้เท่ารู้ทันไว้นะขนาดร่างกายตัวเองยังจะกบดเราจะไปยึดร่างกายคนอื่นว่าเป็นของเราได้เหรอยึดชับสมบัติเงินคํำชับสมบัติยศธามนดาศักดิเสียงภายนอกว่าเป็นของเราได้อยู่เหรือ ขาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรา น, ะนี่แหละจากนั้นก็สอนใจตัวเองเมื่อสอนใจใจรู้ใจใจเห็นใจใจเกิดความเบื่อหน่ายใจคลายใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจผกผันจากทุกข์ถึงบรมสุขคือพระอรหันต์ไม่หาที่ไหนหาที่ใจพระอรหันต์ใจนั่นแหะคือเป็นใจนั่นแหละคือเป็นพระอรหันต์ ใจหมดจดจากกิเลสใจไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นหละใจเป็นธรรมธาตุใจเป็นธรร ม, น, รรมนะในวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวนธรรมะปฏิบัติวันสำคัญให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังนะต่อนนี้ไปกขอจบเพียงเท่านี้